แคสต์วันนี้เป็นแคสต์ศ้้าวายนีกะถินนีเพื่อเธอลูกเป็นนักเรียนอุบายฝันในฝฟนวิญญาณน้องใหม่ที่อยากรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหลังความตายของสามีที่เพงเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้เพราะความรักและความผูกพันที่ลูกมีต่อเขายัางวนเวียนอยู่ในใจ จึงทำให้บ่อยครั้งที่มีกลไกอัตโนมัติอทำให้ลูกน้ําตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวประพาความทรงจำเกี่ยวกับสามีปรากฏขึ้นในใจถึงทวันนี้ความรู้สึกคุ้นชินกับการมีเขาอยู่เคียงข้างก็ยังคงดําเนินไปยังไม่จางหายแม้เขาจะตายจากลูกไปจริงๆแล้วก็ตามก็มยังบ่ไอหนี่เขา เราเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากคนหนึ่งได้สามีที่มีจิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้คนรักการทำบุญมาตั้งแต่เล็กแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยโอ้โห<า> oh, นี่จะไปหาที่ไหนนี่ในอุ ด, ดมกติเลยถึงตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันโลกมีความสุขมากเพราะเราแทบจะไม่ทะเลาะกันเลย เขเป็นคนที่เกรงใจคือจะทะเลาะกันทีไรก็เกรงใจทุกทีและที่สำคัญก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยอมทํางานหนะักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวถึงหาเงินไม่ได้เท่าไรก็มอมเพลลูกเป็นคนเก็บทั้งหมดเวลาเขาจะใช้อะไรจึงค่อยมาขออีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีามากๆของลูกๆ ลูทุกคนจึงเลิฟเขามากครอบครองเราจึงไม่เสมือนครอบครัวสวรรค์ก็ว่าได้ค่ะก็หาไม่ใช่ไงไ่ายนะจ๊ะแต่ว่าถึงจะมีอะไรเพอร์เฟกรื้งยังไม่จบแราวว่าอะไรแล้วการพัดพระราชากสิ่งที่รักเป็นทุกขเห็นไหมจ๊ะ นิขนาดได้เทพบุตรที่งดงามอ่อนโยนชอบชเฉลิมพรคุณรักการทำบุญแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเล ย, เยมีความเกรงใจหาเงินให้ถึงเวลาอยากจะเอาไปใช้ราก็มาขอมาบอกเราเป็นทีป่ปลุกษากใจกับลูกๆทุกๆคนแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีเห็นไหมจ๊ะรักการพลาดพลาดใจสิ่งที่รักเป็นทุกข์ยิ่งรักมากกัทุกข์มากเพราะไม่อยากก็จากไปเลยเ สองเราอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะไปก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอีกอะไรต่งางๆความคิดมันก็จะผูกพันกันอยู่อย่างนี้ บ, บวชที่ผัวการที่สามีเป็นแฟมิลี่แมนถึงเพียงนี้จึงทําให้ไม่อยากเชื่อว่าเมื่อย้อนอดีตไปสู่ชีวิตในเยาว์วัยวของเขา <c oughs> จะพบว่าเขานะ่ะมีสภาพครอบครัวที่น่าสงสารมากแม้เขาเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองสวรรค์ ในครอบครัวชาวจีนนี้มีฐานะมันจะย้ายกลับไปเมืองจีนเป็นนานก็ต้องรีไฟสงครามกลับไปอยู่เมืองไทยพร้อมกับแม่ส่วนพ่อเขาก็ได้เสียชีวิตยอยู่ที่เมืองจีนคือกหอบก็ครัวกับไปเมืองจีนแล้วก็พ่อเสียชีวิตนัแล้วก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่เมืองไทยเขาจะเป็นเด็กเล็กๆที่ต้องทงาอํางานตั้งแต่หกขวบพอถึงสิบขวบแม่ก็พาเขาไปฝากไว้กับญาติ ทำให้เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าและเริ่มเก็บหอมรอมริบหยิบยืมเงินจากญาติญาติมาเปิดร้านตัดเสื้อเป็นของตัวเองแต่ไม่นานก็ต่างปิดตัวลงเพราะสู้คู่แข่งไม่ได้แต่แม้จะเป็นแบบนี้ก็ตามแต่หัวใจของเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะที่ได้กลับไปทำงานเป็นลูกจ้างในร้านตัดเสือ้อายครั้งหนึ่ง ยอมอดทนบากบานจนถึงช่วงอายุ25ปีจะมีช่องทางได้เปิดร้านตัดเสื้อทเทมเบอร์พระประแดงนับแต่นั้นมาชีวิตของเขาก็โจทย์ช่วงขึ้นมีรายได้เป็นกรอบเป็นกำรรจนกระทั่งเด้ประพบรักกับลูกที่มีอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อเหมือนกั น, นอืมเราหัดต่างคนต่างก็แยกร้านไปตัดฝึกตัดเสื้อมาจำนานแล้วเราก็มาเจอกัน เจอกันแล้วเราก็เลิฟกันแล้วเราก็แต่งงานกันเพราะแต่งเสร็จเขาก็มาให้ลูกทำงานหนักเลยจะให้ลูกเป็นแม่บ้านคอยซื้อผ้าเข้าร้านเขาก็เชื่อมือลูกว่าซื้อผ้าเด็กเก่งชั้นหนึ่งแล้วก็คอให้คอยดูแลลูกๆเท่านั้นให้ดูเสื้อผ้ากะดูลูกกท่นั้นแหละส่วนตัวเขาเองยอมทำงานหนักจนสา ม, มารถขยายสาขาได้ แต่เขาก็ไม่เคยสนับสนุนให้ลูกๆได้มาทำอาชีพนี้เลยสอนเฉพาะลูกยานะลูกนะอาชีพเสื้อผ้ายาพ่อเหนื่อยมามากแล้วแถมยังปลูกังลูกๆอีกว่าย่าทำอาชีพนี้โดยส่งลูกเรียนสูงๆเรียนดีๆพอไปหาอาชีพที่ดีกว่านี้เพราะเขาลําบากมามากตั้งหลังขดหลังแข็งปวดหลังปวดมื อ, อมยับเสื้อยับผ้าเนี่ย หาเงินโดยใช้พื้นที่เล็กๆนะเล็กถ้าก็รูเข็ม <c oughs> มันบางคนใช้พื้นที่ใหญ่ทำเกษตรกรรมแต่ว่าทำตลอดก็ไม่รวยมันเหนื่อยแต่นี่ทำเล็กๆเ <c oughs> ย็บผ้าเงินใช้ได้สอดรูเข็มแสดงว่าใช้พื้นที่ที่น้อยมาก ขห็นนั้นแนหะแต่ก็ปวดหลังปวดมือปวดสลับปวดตัดเสื้อเย็บเสื้อไม่ได้รับเต็นดอนแม้เสื้อผ้ามีบนมันยอมไม่ตัดยังไงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันตัดเสื้อผ้ามัร้องหนักนกเข้าไปอีกแต่ดีเสื้อผ้ามัไม่ร้องโอยโอยมันยอมไม่ตัดวันที่ตัดถึงตีสองตีสามแล้วก็จะต้องไปเปิดร้านถึ้าโมงเช้าถึงสามทุมนอนกี่ชั่วโมงดู ตั้งเปิดร้านทุกวันจะไม่มีวันหยุดเลยจะหยุดเพียงวันเดียวคือวันตรุ จ, จีนซึ่งการโปรไฟลงเขาก็สำเร็จจริงๆค่ะหลกๆทั้งสามคนไม่มีใครมีความรู้เรื่องการตัดเสื้อผ้าอย่างล้ำลึกเลยสักคนนึงถ่สเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมดแล้วก็ดังหนังตาเรียนจะจบปริญญาตีคณะวิศวะกันหมดทุกคนหืสุดยอดเลย แถมยังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทยังต่างประเทศถึงสองคน oh. นี่ลูกสามไปเรียนเมืองนอกสองส่วนลูกคนกลางบอกอยากจะเรียนต่อไม่อยากจะเรียนติด <c oughs> เหมือนพี่กับน้องมายอมไปเรียนติดที่เมืองนอก <c oughs> บอกว่าจะเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนนี้เรียนต่อได้เรื่อยๆแ <c oughs> ต่อื่นๆมากก็ไปตันที่ไปติดที่ด็อกเตอร์เลย เรียนกิ่งแล ะ, ะแขนงของวิชาด็กตอรสาขานั้นสาขานี้นัาานน่นนี่เขาเรียกว่าเรียนติดถ้าเรียนต่อนี่เรียนระดับรากโคนของวิชาไปเไปเลยๆขอหยุดใจใได้เท่านั้นนะนี่เรียนทะลุเลยแจะถ้าเราถ้าในระดับโรงเรียนทั่วไก็เรียนแค่นิพพานปุ๊บสามโล ก, กันนี่ถ้าขึ้นชั้นปฐมก็ก็ไปอีก อย่างนี้ซึ่งก็เพราะโลกคนกลางนี่แหละค่ะโดยจักชวนพ่ อ, อเขาก็กลางกลางนี่แหละมาทำบุญชวนพ่อวัดกำมันนานกว่าส0ปีแล้วจนนาสามีรูปมีความปรารถนาลึกๆว่าเกิดประชติที่อยากจะทำบุญไปประทานร้องสักครั้งหนึ่งแต่ผ่านมา น, นนานถึง9ปีก็ยังไม่สำเร็จเลยค่ะ ิ่งทำให้ความรู้สึกนิคาใจเครื่อยมาจนกะทั่งมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะน่องจากเขาจะมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานมาตั้งแต่อายุ30สปีอยู่ๆก็มามีอาการป่วยเหมือนเป็นคนไข้วัดเหนื่อยหอบป็พาไปหาหมอเขาพบระการน้ำท่วมปอดแล้วก็ตรวจพบมะเร็งปอดขั้นดิสสามทำให้ลูกตกใจมากเด็ลกกพาเขาไปรักษากับหมอที่เก่งที่สุด แต่การเขาไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ทรงตัวข็แย่ลงอีกทั้งต่อมายังตรวจพบมะเร็งไในลมขึ้ไปถึงสมองแล้วมีอาการข้างเคียงตามมามากมายซึ่งก็โชคดีที่ลูกชายี่อยู่ที่วัดอ้า อ, อยู่ที่วัดจะได้ลุยกันได้เต็มที่หน่อย <c oughs> ได้มาดูแลพ่อเขาตั้งแต่เริ่มป่วยอืมต้องตั้งงี้สิ ชั้นหนึ่งให้พ่อเขาทำบุญทุกวันนี่ถูกหลักวิชานี่หนไหมจ๊ะมีให้ลูกเข้าวัดที่มันดีอย่างนี้ช่วงอยู่ที่โรงพยาบาลกะนำจานดาวทำปติเตพ่อเขาดูนี่เห็นไหมจ๊ะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีนี่ให้พ่อเ็าทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิทุกวันสุดยอดเลย เป็นการตอบแทนพระคุณท่านที่ดีมากถูกต้องถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่าสอนเอาไว้พระอาจารย์และคนที่วัดได้แวะเยี่ยนไปเยี่ยมเสมอจะลูกรู้สึกขอบคุณดีความีน้ำใจของคนที่วัดมากแต่การสามีก็ยังไม่ดีขึ้นแถมยังสุดลงรเรื่อยๆจนกระทั่งการสามีจะเสียชีวิตได้สองสัปดาห์อยู่ๆสามีก็ได้อเอ่ยกับลูกว่าสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแย่มากแล้ว ยายือชีวิตขึ้นเขาไวอีกเลยก่อนเขาตายเนะี่ยเขาอยากทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งในชีวิตจนินได้ขอเงินทำบุญกับลูกเพื่อเป็นประธานรองกระถินปีส 2-5-4-9 ปีเก้ีนี้<า>ซึ่งเมื่อลูกฟังก็อึ้งไปสักพักเพราะเป็นจำนวนเ ง, งินที่มากและเกินเพราะในชีวิตลูกเคยทำบุญสูงสุดกับแขนหลักมือ ลูกยายลูกแตงใช้เงินในการรักษาสามีตลอดระยะเวลาหาเดือนที่ผ่านมาก็เป็นล้านบาทแล้วไอ้แม่จ้าถ้าช่วยอะไรไม่ได้ช่วยแข็งแรงหน่อยอย่าเจ็บจะป่วยอยไข้ช่วยตรงนี้หน่อยแต่ด้วยความรักที่ลูกมีต่อสามีมากแล้ที่สําคัญเงินที่เขาขอลูกทําบุญก็เป็นเงินที่เขาเป็นคนหามาทั้งชีวิตเขาก็ไม่เคยเป็นผู้ได้ใช้เงินในการทําบุญให ญ, ญ่ให้ตัวเองอย่างเต็มที่เลยอืม ลูกจึงตกลงกับเขาว่าเอาไว้ให้ขายร้านตัดเสื้อได้ก่อนตอลองตอลองแล้วลูกจะทำบุญให้ทันทีและลูกก็ดําเนินการขายร้านตัดเสื้อแต่พขายได้หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วหเดือนอนี่มันไม่คุ้มเงินใช่ไหมเจ้าว่ามไม่คุ้มเงินแล้วจะไปเสียเวลาลังเลเลยยิ่งให้ ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมาหมดแล้วก็มาอีกให้เท่าไรก็มีแต่รวยไม่มีหมดแร้วไม่มีจนนี่ให้ช้าไปนิดเมื่อขายได้แล้วลูกยิงตัดใจทำบุญทันที ท, ทั้งที่ลูกก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากแต่ด้ความดีและความรักที่ลูกมีต่อสามีนี่ให้ทำบุญเพราะความรักหวหนีนกระถินี้เพื่อเธอเนี่ยลูกยึงขอมอบบุญนี้ให้เป็นสวีงติดตัวเข้าไป แต่มันช้าไปที่จะมาทำม่ตองตีก็ตายไปเนี่ยขอมอบบุญนิติตตัวเข้าไปทุกชาตินี่เทพพิดาเมืองมนุษย์ยืนยันว่ารักเธอเสมอถึงเทพทบุตรซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันบวบไว้หนีกรถินนี้เพื่อเธอเลิฟเธอเสมอเนี่ยส่วนตัวลูกเองเกิดในครอบครัวที่กำลังสร้างฐานนะ แต่เป็นคนโชคดีเพราะในสามีที่ Perfect ปลื้มจบ <c oughs> <c oughs> จบแบบจาก <c oughs> พัดพลาดจากสิ่งที่รัก Perfect แถมมีลูกที่ Very เก่งและดีกันทุกคน <c oughs> แม้ปัจจุบันลูกยังไม่ได้เป็นบรมเศรษฐีแต่ก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยแต่นับตั้งแต่สามีลูกเสียชีวิตลง ก็ทำให้ลกกังวลลึกๆเกี่ยวกับชีวิตเป็นปลายที่เหลืออยู่นี้แล้วลูกเดีตัดสินใจเลิกกิจการตัดเสือ้อแล้ว เ, เงินมาเข้าหุ้นลงทุนทาธุรกิจรงรับจํานํำกับญาติโอ้อามีตพระเอามาทํำรงรับจํานำเนาะเคยจะไปคิดดอกโหดกับเรื่องเงิ น, น อ, อีกทั้งทุกวันนี้สุขภาพลูกก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่เราจําตัวคือไวรัสตับอักเสบบีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แล้วยังเป็โรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะและนอนไม่หลับอีกด้วยคะ่ะนั่งสมาธิสิจ้ะทำใจหยุดนิ่งๆเดียวกันนอนหลับสบายแม่งลูกปัจจุบันท่านหกล้มขาหักึ่งกาลังก็าวฟือ้นอยู่คะ่ะแต่ท่านก็เป็นโรคที่ทําให้ท่านกังวลใจมากกว่านั้นคือโรคนอนไม่หลับอัมพาตเป็นเหมือนกันถึ่งท่านเป็นมานานกว่า30สิปีแล้วอหลับก็ให้หลับฟรีๆนะไม่ได้เสียเงิน เราฟรฟรีไม่้งเสียเงินรับไปเลย <ๆ S 1> ไปหาหมอกี่หมอก็ไม่ยอมหลับสักทีแม้กินยานอนหลับแล้วก็หลับได้แค่แป๊บเดียวแล้วกระตุนค่ <ๆ S 1> คำถามบุพกรรมใดที่สามีลูกกรรมพระพ่อและไม่เคยได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กอีกทางยังตั้งรีภัยสงครามได้มีชีวิตใบเด็กที่ยากลำบากบุพกรรมใดสามีลูกตั้งกระานเสื้อไม่สําเร็จในว้ยต้น จะสามารถแต่งตัวและมีเงินทองมั่นคงตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปและบปรแกรมใดจะมานั่งหลังคอหลังแข็งทำงานหนักถ้าไปมีวันหยุดเพื่อเลี้ยงข้าวครณลคะละจากจะมีชีวิตอย่างนี้ไห ม, ม<า>หลังคดหลังแข็ง ห, หรือว่าอยากจะมีเป็นบรมโมเศธีอะไรพวกนึงโปรแกรมไดสามีถึงเป็นโรคเบาหวานและเป็นมะเร็งปอดแลลามไปถึงสมอง และบุปกรรมได้เขาเพิ่งจะได้มีกาทําบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตสําเร็จหลังจากที่เขาตายไปแล้วการทำบุญอย่างนี้ชาติต่อไปสมบัติจะเกิดแก่ลูกและแก่เขาอย่างไรคะแล้วในสงกระถิญปี2549แตกต่างกับปีก่นกอนๆหรือไม่อย่างไรคะสามีเป็นห่วงลูกหรือไม่ร่าลูกเสียใจร้องไห้เวลาเขาหมดลมหายใจสามีลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรบ้างโมฆะ บ, บุญกระเถงพีสี่เก้าแล้วก็คิดอย่างไรและมีอะไรอยากจะฝากบอกลูกบ้างในกรณีที่ทําบุญกับโมณะสม่ําเสมอแต่ไม่เข้าใจาเรื่องวงบุญวิเศษแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานตามติดโมณะไปดูสิทบบุรีมาตายแล้วจะได้ไปดูสิทบบุรีไหมคะและหากที่ประการทําบุญกับโมณะไม่เยอะและไม่สม่ําเสมอ แต่อธิษฐานอย่างแน่วแน่ไม่เยอะด้วยไม่สม่ำเสมอด้วยแต่แน่วแน่จะไปดูสิบุรีกรณีไหนจะไปดูได้ไปดูสิบุรีมากกว่ากันคะและซิสม <No. S 1> อนน้อยแต่มาก <No. S 1> หรือว่ามันยังไง <No. S 1> ถ้าสามีลูปไม่ได้อยู่ดูสิบุรีจะช่วยเขาได้อย่างไร ในฐานาที่เขาศรัทธาหลวงปู่และหลวงพ่อมากคะนี่เลสิสบ น, น้อยแต่มากน้อยแต่มากยากแต่ง่ายแล้ว เ, เอาไงดีลเราสามีเด็กาติชคือสัอสอสมพันธ์กันมาอย่างไรบุญใดทำให้เราสองเราใช้ครอบครัวร่วมกันอย่างอบอุน่นมีความสุขและบุญใดทำให้เรามีลูกที่ดีมากกันอยู่แถมประสบความสำเร็จในการเรียนทุกคนเลยคะ บนแดงลูกสามีถึงให้ลูกมาเป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์รเรื่องเงินทั้งทั้งนี้เป็นเงินของสามีถ้าเวลาเขาจะใช้ก็ตะ ม, มาขอกับลูกซึ่งแต่เป็นเงินจำนวนมากเช่นเงินทำบุญเขาก็จะเกรงใจลูกมากคลูกแล้วคุณส่วนมีกำลังบุญพอที่จะทำธุรกิจลงรับจำนำนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้ไหมและต้องทำอย่างไรให้ประสบความสาเร็จลงมาเงินทองไหลเข้ามามากมายคะ บุพกรรมใดลูกทำมาเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกตินอนไม่หลับแล้วไวรัส ต, ตับอักเสษบีคและที่หลวงพ่อเคยบอกว่ากรณีของคนส่วนใหญ่ที่เป็นไวรัสตับอักเสษบีนี้เกิดจากกรรมสุราและกรรมใช้แรงงานสัตว์รวมกันอยากทราบว่าระหว่างคนที่เป็นโรคตับเพราะกรรมสุรากับคนที่เป็นบ้าหรือปัญญาอ่อนเพราะกรรมสุรา กรณีไหนกรรมหนักกว่ากันคะและลูกจะต้องแก้ขไขวิบากนี้อย่างไรคะบุพกรรมได้คุณแม่ลูกขาหักแล้วเป็นโรคนอนไม่หลับมา30สกว่าปีจะแก้ไขได้อย่างไรคะและท่านมีสายบุญกับโขะมามากน้อยแค่ไหนคะลูกชาคนกลางสร้างบารมีโขนะมารูปแบบใดทําไมเขาถึงติดตามเช่วยงานพระอาจารย์รูปหนึ่งในวัดอัตลอด ขากับพระอาจารย์เดจจ่าสัมพันธ์กันมาแบบใดเขามเขามีหน้าที่อะไรเขาถึงพระธรรมกายไหมคะังสัยจะมาจากภุมะพวกใกล้ชิดพระอาจารย์นี่อยู่แถวแถวนั้นนะลูกสามีและลูกที่เล็กสองคนคือคนโตคนเล็กเคยสร้างบารมีกัมกคณามาด้รูปแบบใดผลการปฏิบัติทรรเป็นอย่างไรบ้าง พุทธาภรณ์ตัววิปังบทหนา น, นั่นแค่ไหนคะและต้องทำอย่างไรทุกคนจึงจะได้ตามหมู่ฆณะไปสร้างบารมีทุกชาติคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับรับตาฝ่ายมัตุมิตาตื่นขึ้นม า, านทาีแล้วก็นำมาเล่าฟังเปรียญยาปรัมบรากันเถอะ สามีกรมประพ่อแล้วก็ไม่เอยได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กมีชีวิตในวัยเด็กลําบากเพราะแน่ดีเคยออกจากบ้านในวนัยนุ่มไปทํางานในแควนก่าะไกลโดยที่ไม่ได้ติดต่อมาหาพ่อแม่แค่ส่งเงินมาให้ใช้บ้างมีปากคกำรรนี้มาส่งผลจ้าคล้ายแรงงานต่างประเทศอย่างเงี้ยไปทํางานต่างประเทศ ไม่เคยเด็กกลับมาหาพ่อหาแม่แต่ว่าส่งเงินมาให้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น น, นนี่ก็จะมักจะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่และก็มีกรรมตนีมาส่งผลในวัยเด็กจึงทําให้วัยเด็กลําบากไม่ใช่พอไม่ค่อยทําทานเนี่ยก็ไม่มีบุญไม่มีบุญก็ไม่มีทรัพย์ไม่มีทรัพย์ชีวิตก็ลําบาก สรีนีภัยสงครามเพราะเคยอนุโมทนาบาป พ, พลอยยินดีในการทำสงครามของแคว้นของตัวที่ไปลุกกรานแคว้นอื่นแต่แค่เป็นเศษกรรมอนุโมทนาบาหรือพลอยยินดีเล็กๆเท่านั้นที่ทำให้แค่ลีภัยสงครามจะทำให้เสียชีวิตจะคือถ้าเขาจะทะเลาะกันก็จะลบอะไรการเนี่แต่เราไปยินดีกับข้างในข้างหนึ่งนี่ มีปัญหาก็จะเจออย่างนี้บ้างสามีตั้งรานเสือ้อไปสำเร็จในว้ต้นต้นแต่สามารถแต้งตัวมีเงินทองในวัย25ปีขึ้นไปและตั้งทำงานหนักแทบไม่มีวันหยุดเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพราะกรมตระหนีแน่ดีไม่ค่อยจะได้ทําทานในวัยต้นเพราะมีความเชื่อว่าจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องขยันอดทนต้องเหนื่อยเท่านั้นมาส่งผล ซึ่งจริงๆแล้วมันถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สมบูรณ์มันต้องทำกุศลต้องมีบุญหล่อเลี้ยงด้วยแต่ก็ยังมีบุญสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ญาติมาส่งผลในเวลาต่อมาจึงทำให้ตั้งตัวได้มีเงินมีทองแต่ก็ยังลาบากอยู่ดีในการหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความเชื่อดั้งกล่าวว่าจะต้องเน็ดเหนื่อยขยันอดทนนั้นจึงจะสาเร็จ และก็ไม่เน้นกับการในการทําบุญกับเนื้อนาบุญแต่จะไปทําบุญแบบสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ญาติเป็นหลักไม่เน้นในการทําบุญเนื้อนาบุญ ค, บคือเมื่อตัวขยันเหนื่อยอดทนก็มักจะมองเนื้อนาบุญว่าขี้เกียจไม่ค่อยได้ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะไปทําบุญเนื้อนาบุญไม่ใส่บาทมุญว่าพระเดินมาบ้า น, านหรือให้ใส่ทีเดียวแต่ก็จะเตือน แบบนัลยจใส่อีไปไปจะใส่อีไปไปอีติดใจอีก็มาอีกก็เดี๋ยวอีติดใจอีกมาอีกแล้ววันพวุนี้อีกมาอีกยังมาบินบาตหน้ามาคือเข้าใจไม่สมบูรณ์เพราะตัวขยันก็จะได้ทรัพย์บลําบากแต่เห็นเนื้อน า, นาบุญเดินถือบาทมานี่นี่วันลำบากนี่ <รา S 1> เดือนหนึ่ง30บาทนี่สาบาทใช้ได้ทุกอย่างนี่ <c oughs> นี่ก็ขี้เกียจเนี่ย เพราะได้แก็ เ, เลยไม่ เ, น, เน้นแตจ่จะช่วยเหลือคนอยากคนจนส่งเคราะห์ยากอะไรต่างๆเราเห็นว่าโอ้เขาลําบาญ เ, เราต้องเอาทรัพย์ไปช่วยเอาเสื้อเอาผ้าเอาอาหารไปช่วย เ, เห็นทันตาเลยวันนี้เขาําบากจริงๆเราจริงต้องช่วยแต่พระไม่เห็นลำบากตรงไหนเลยวันๆก็เห็นเอาแต่นั่งที่จริงๆวัดไหนนั่งเนี่ยควรจะไปทำบุญเยอะ แต่ถ้าวัดไหนมีพระนอนเยอะเนี่ยมีพระปางสายญาติเยอะนีก็เานาะกระตั้ ง, าางไปกราเรียนบอกเอ๊วัดนี้มีพระนัง่งเหมองล่านมีแต่ปางสายญาติมีพระนอนเยอะสามีเป็นโรคเบาหวานมะเร็งปอดและลามไปที่สมองเพราะกำเนดในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมเห็นมหมเจ้าพอไม่ําทานละมักจะไปเกิดในสังคม ได้ฆ่าสัตว์ไว้ทรอมหาและค่าขายมาส่งผลให้เป็นเมาหวานอีกทั้งเวลาค่าสัตว์มักจะทุบศีศรษะนี่เพราะความอยู่รอดของชีวิตใหม่ๆก็กลัวอย่างแหยงกลัวบาปทุบ ไ, ไปบ่อยๆมันเฉยๆมันเย็นจีนทุบนักเข้านักเข้าก็เป็นเรื่องทุบไปคุยไปยิ้มไปหัวเราะไปฟังเพลงเห็นมาเลองไห้บอกบอกมันดีใจที่จะได้ตายตายออกจากออกจากร่าง ของสัตว์นี้ไปเกิดบนสวรรค์คือว่าเองเออเองโมมีเองทุกอย่าง <Yeah. S 1> เราทั้งเคยรมควันไล่พึ่งเพื่อเอาน้ำหวานแล้วตัวอ่อนในรังมากิน uh huh. คุณวิ่ย์ใหญ่เคยไปรมควนมันเมื่อไงแต่ไม่ได้พึ่งอะ่ะ <laughs> เอาเเอ า, เอาบุรีมวนโตัโตเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ <laughs> ก็ไม่รู้ก็ตามเพื่อนเลยสูพ่พ้นพ่นพ่นพ่นเ <laughs> มื่อกี้ที่นอน <laughs> อยู่โคนต้นนั่นแหละ เราได้คถาดีแต่พูดต่อยหูมั้งตัวเมียต่อยตาตัวเล็กตัวน้อยต่อยแข้งต่อยขาเป่าพ่วงแล้วมันจะหนีมันอ่อกจากรางจริงแต่มันมาต่อยหูเราก็ต่อยหัวเราไม่ไหวเราควันไล่พึ่งว่าตัวน้าหวานและตัวอ่อนในรางมากินเพราะสรงผ ล, ผลนี่เป็นมะเร็งปอดแลวลามไปที่สมองจ้ะ โดยโอกาสทำบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตภายหลังตายแล้วเพราะนักเรียนอนุบาลเพึงฟังได้โอกาสทําบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อภายหลังจากตายแล้วเพราะแน่ดีระหว่างมีชีวิตยอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ไดทําบุญแต่ก่อนตายได้เขียนพินัยกรรมแบ่งมรดกเอาไว้ว่าให้ทําบุญเงินเนี่ยหลังจากตัวตายแล้วก็ให้ทําบุญ สร้างโรงเรียนโรงพยบาบาลสร้างวัดวารามบุญพินัยกรรมเนี่ยมาส่งผลใช่<อ>เพราะฉะนั้น<อ>เมื่อทําตอนตายแล้ว<อ>เห็นว<อ>ันใดพระนิพนัยกรรม<อ>ตายแล้วก็<อ>จึงมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่เมื่อกัน<อ>ซัพย์ได้หลังจากตอนตายแล้ว<อ>แล้วเขาก็เอาไปทําบุญให้<อ>นี่การทําบุญอย่างนี้มาบุญส่งผลใน้พบชาติต่ตอไปตัวลูกเองก็จะได้รับสมบัติแบบรับมรดก จากผู้อื่นเช่นพ่อแม่สามีคือต้องคอยให้เขาตายก่อนแล้วเราถึงจะได้ส่วนส ม, มิงรูกพบชาติต่อไปตอนมีชีวิตก็จะมีสมบัติในระดับพอเลี้ยงตัวเองไม่ลําบากเพราะคิดจะทําบุญก่อนตายแต่ไม่ได้ทําคือพอพอเลี้ยงตัวได้แต่พาหลังตัวเองตายไปแล้วสมบัตทิทิ้งเอาไว้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมาหลายเท่าเช่นที่ดินของตัวถ้าตายแล้วเนี่ยพยกให้คนอื่นเนี่ยตอนตัวอยู่เนี่ย ไลละร้อยสมมติงั้ น, น, นะพอตัวตายเขียนวิธีการย่อคือไล่ละล้านมีมูลค่าเพิ่มตอนนั้นเหมือนนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงโลกบางคนตอนมีชีวิตอยู่อดยากเกือบตายเพราะรูปที่ตัววาดขายไม่ค่อยออกแต่พอตายแล้วนี่ภาพที่ตัวเองวาดกลับมีมูลค่าพันล้านเจ้าของภาพนั้นได้ไปแต่คนวาดอดอดล่างแต่อด เหมือน ก, ลอกน็ลอกเงินลออดอดอดได้ยินได้ทุกวันเลยเนะวิ่งวิ่งไปหยุดทีอดอ ด, อดนี่อันที่สองก็ติดที่สามีหายเขาทุกปีก็มีอันสอง พ, พอๆกันเลยจ้ะแต่ปีนี้นี่เรามันลดดวงกระบวนสุดท้ายเพราะนั้นต้องรีบสร้างลดดวงกระบวนสุดท้ายสามีตายแล้วก็ไปเป็นเทพประวุตรสุดรอ มีวิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟศสามแต่วิมานใหญ่พอประมาณดิบุญดิษฐธรรมกมขน้าจ้ะเรารับบุญที่ติไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพย์ญติสมบัติเพิ่มขึ้นเดีฟ้ามาบอกว่าเขาได้รับบุญกรถิ่นปีสีเก้าแล้วทําไมวิมานใหญ่โตขึ้นมีทิพย์ญาติสมบัติเพิ่มขึ้นมีความสุขมากและฝ้านโมทนาขอบคุณมายังลูกอีกทั้งบอกว่าผลแห่งบุญมีจริง ผลบุญมีจริงถ้าหากเขาทาบุญด้วยตนเองก่อนตายเขาจะมีทิพย์ประจักษ์สมบัติมากกว่า น, นี้อีกหลายเท่านักจ้านี่ไอ้เมจเจ้ามันต้องต้องทำตอนมีชีวิตอยู่จะไปทําตอนที่ตายแล้วสมมุติยกสมบัติให้ใครก็ตามเนี่ยเขาจะทําบุญอุทิศเอาสมบัติเราไปทำให้ทีหลังบุญก็ไม่ได้มากเท่ากับที่เราทํำเอง ในกรณี้ที่ทําบุญกบุญกน้มาอย่างสม่ำเสมอหรือบางคนยกกระดกให้ให้แมวอย่างนี้อ๋อมันอยู่มีกี่ปีมันก็ตายแล้วมันทําบุญให้ก็ไเป็นสมบัตินั้นก็เอาไปของกลางไปตัวก็อดเหมือนก็ลอกกระแตอดอดในกรณี้ที่ทําบุญกบุญกน้ามาอย่างสม่ำเสมอจะไม่เข้าใจเรื่องวงบุญพิเศษและไม่ได้อธิษฐานตามติดไปเดือดสิทธ์บุรี พอตายแล้วนั่นจะไปเกิดตามกําลังบุญตามสวรรค์ชั้นต่างๆแต่จะไม่ได้ไปเกิดเดียวบุญเป็นพิเศษเพราะใจไม่ผูกพันด้วยความไม่เข้าใจก็คละกับการทําบุญทั่วๆไปเช่นอาจจะไปชั้นจตุเดาเดึงยามาเจดิตานิมาร า, าดีประณีมิตรวัตสวสดีสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามกําลังแห่งบุญที่ตัวทําไว้เพราะตัวไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญนพิเศษจึงไม่มีความผูกพันก็ไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเซตโปรแกรมเอาไว้ คล้ายกะกำลังเงินถึงรถเบนซ์แต่ไม่ได้ซื้อส่วนผู้ที่ทำบญกระบอกกันนะไม่เยอะไม่สม่ำเสมอแต่ธิษฐานใจยังแนวแน่ในการตามติดไปโดรซิบรีให้ได้ทำทำหยุดหยุดเหมือนกัะลอกวิ่งไปแล้วก็หยุดทิ้งอดก็ไปอยู่วงบนพิเศษไม่ได้นี่เห็นไหมจ๊ะนี่ คณะกรรมพารปปอสอวงบุญพิเศษเรลไม่ติว่าไปอยู่ไม่ได้เพราะกำลังบุญไม่พอคล้ายปรารถนาจะซื้อรถเบ้นแต่กำลังเงินไม่ถึงลยซื้อไม่ได้เห็ ไ, ไหมจ๊ะนี่แต่สามีก็มีใจศรัทธากระเด๊บคณหลงโผล่รมุกคณะก็จะทำให้มีสายบุญที่จะทำให้ได้ไปเจอกันอีกในพจพุทธันดรหน้านุ้น ก็ต้องไปขออีกพุทธันดรหนึ่งหมายความที่นี้อายุที่อยู่บนชั้นดาวดึงเนี่ยมันสั้นกว่าชั้นดุสิตก็จะลงมาก็จะระหว่างช่วงที่ไปเจอกันเนี่ยจากดาวดึงนี่ก็อย่าไปประมาทอะไรพลาดพลั้งละ่ะอยากมีอะไรก็ยังไงขอให้วนเวยียอยู่สองภูมิคือมนุษย์กับเทวโลกเอาไว้ก่อน แต่พอถึงพุทธันดอห น, น้าพื่เด็กคนหลวงปู่กับหมู่คณะลงมาเกิดปับ๊บพุจะดูดบุญที่สายบุญอยู่แม้อยู่ดาวดึงจตุที่ไหนก็วุ้นอย่างนี้ไ ง, ไ ง, ไงมาเจอกันเพราะมีสายบุญเชื่อมกันสามีไม่ได้ไปอยู่ดุสิตบุรีจะช่วยได้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติทําให้เขาถึงธรรมกายโดยเฉพาะลูกชายที่อยู่เขตในนะต้องปฏิบัติให้เขาถึงธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกาย o ลี่อย่างเดียว จึงจะไปช่วยพ่อเลื่อนชั้นได้ใชะก็ไปยากไปนตอนนั้นพอได้วิชาธรรมกายแล้วมันก็ง่ายๆมันก็ไปยากเลยหรอกแล้วก็ไปนั่งเล็งๆเนาหยุดใจไว้ศูนย์กลางกายของเรานี่แล้วก็ทำกายมันเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆเๆาๆๆๆๆๆๆๆๆ มาประกอบวิชาธรรมกายปรับปรุงท่าทำใหม่จนกทั้งกำลังบุญสหอารโดยสุ์พอเหมาะกระพบของวงบุลวิเศษนี่นะพอเหมาะก็ปุ๊ดมันก็โดดก็หากันฟึ๊ดอย่างงี้ดีไหมจ๊ะดีได้ีอย่างเงี้แต่ครังหลวงปู่ที่เอาปู่ผงขึ้นไปจากเดาดึงพระปู่ผงอายุเก้าสิบ นอนหยอดนัก่ก็ต้มแล้วลูกลือไปถามผู้โพลแต่แข็งแรงขึ้นมาผู้พนจะทำอะไรเป็นอย่างแรกสิ่งที่อยากทำคืออยากมีมีอ <Yeah. S 1> <c oughs> ่ะกูผมก็พูดอย่างจริงจงขนาดนอนหยอดน้ําก็ต้มเลย <c oughs> ตายแล้วเนี่ยโอปถักหลวงปู่บุญนี่ก็เลยเอาไปอยู่ดา ว, ด, วดึง หลวงปู่ท่านเล่งมาอ่ะอยู่ตรงนี้ที่อของท่านมันง่ายมันไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างที่ว่าอย่างนี้เพราะมันเป็นปกตินั่นนะครับชู่อืมอไม่ใช่ชู่ชิ่ไปชนะิ่ชู่ๆๆมาตัวลูกและสามีในดีเช่าเคยเป็นสามีภริยากันมานหลายชาติแล้ว เคยสร้างบุญร่วมกันโดยเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกและญาติมักจะใช้ให้ตัวลูกทำแทนคือเวลาจะไปเที่ยคนยากคนจนสงเคราะห์ญาติหรือสงเคราะห์เพื่อมนุษย์เนี่ยจะใชใ้ตัวลูกเนี่ยภรรยาเนี่ยเอ อ, เออเธอไปทำแทนหน่อยเอาทรัพย์นี่ไปไปทำแทนได้หน่อยแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองโมธรมะหากินนะเออเาเธอเอาไปทำแทนในเงินจึงทำให้ตัวลูกจะเป็นใหญ่ในทรัพย์เออพราะได้ทำได้จบได้อธิษฐาน อ ย, อ, ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนครูวิใหญ่ให้ให้เลิกโกเป็นตัวแทนเนี่ยไปมอบของอะไรต่างๆนี่กับสงครามโลกเนี่เขาจะมีสิทธิ์ทรัพย์เขาจะรวยนี่ไอ้แต่เป็นใหญ่ในทรัพย์แต่ครูวิใหญ่จะมีสิทธิ์ในทรัพย์คือเขาจะได้ทรัพย์ก็จะรวยนะแต่เอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้ก็ในสุดก็ต้องมาให้ครูวิใหญ่ แต่ครูไม่ใหญ่ไม่มีเงินเก็บเขาไปเก็บแทน <c oughs> คือพอจะไปใช้ยงอื่นก็จะคิดไปออกไม่ดีกว่า <c oughs> แต่ว่าครูไม่ใหญ่ก <c oughs> ็จะได้แค่นี้มันมามันอยู่แล้วมันก็ไป <c oughs> ไหนไม่รู้ัน <c oughs> จะมีคนมาช่วยใชั <c oughs> ตามทันไปใชะอหม <c oughs> อ, อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้ยเคลียร์ไปจช่แต่ลูกๆที่ไปมอบเสื้อมอบผ้าพวกนี้รวยเนอะพอก็จะจบอธิษฐานแล้วก็ให้อย่างเงี้ยไง ถ้ายา ก, กรวยก็ต้องไปช่วยน้ำท่วมนี่ตัวก็ไม่ได้ทําด้วยตัวเองเองทําให้ตัวลูกเองนะเป็นใหญ่ในทรัพย์ส่วนเขามีสิทธิ์ในทรัพย์จ้ะจึงทำมาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขจ้ะพระต่างก็เป็นคู่บุญคู่บารมีกันที่ลูกดีมีความกตัญญูและประสบความสําเร็จในการเรียนทุกคนนั้นในอดีตเวลาจะช่วยเหลือสงเคระาะห์ญาติหรือสงเคราะห์โรคก็มักจะมีจิตอ่อนโยน อยากช่วยเพรในเวลาจะไปสงเคราะห์เพื่อมนุษย์อย่างน้ำท่วมเนี่ยต้องมีจิตอ่อนโยนอยากช่วยกับมีบุญที่มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อปิดามารดามารวมส่งผลให้ได้ลูกดีมีความกระตันยูเห็นไหมจ๊ะทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นปลูกองุ่นก็ต้องเป็นปลูกแอปเปิลก็ต้องเป็นปลูกแอปเปลิเปปปเปลเป็นอ ง, งุ่นได้ไหมไ ม, ไม่ได้ ใช่ไหมจ๊ะทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นสามีให้ลูกมาเป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์เรื่องเงินดันงๆที่เป็นเงินของสามีแถมเวลาเขาจะใช้อย่างต้อมาขอตัวลูกซึ่งถ้าเป็นเงินจํานวนมากใช้เงินทําบุญเขาจะเกรงใจลูกมากนั้นก็เกิดจากการที่สามีไม่ได้ทําบุญด้วยตัวเองแต่สั่งให้ตัวลูกไปทําจึงทําให้สามีมีสิทธิ์ในทรัพย์แต่ไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์เหมือนตัวลูก เหมอครูผูใหญ่ชวนมาทำบุญก็ทำๆมือนึ่งแต่ไม่ได้เป็นใหญ่นะครับแต่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้รทราบปฏิิิต้องบอกแล้วบอกอีกว่าจะทำอย่างงี้พูก็ขยักกันไว้เรื่อยๆมันก็เปเสียแต๊ทีนี่ยเขากลัวมีบุญอะไรใหม่ๆไม่ใช่ไรขยกขักไว้ทำบุญใหม่ครูผู้ใหญ่ก็ต้องหาโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้เรื่อยเพราะนั้นแทนที่จะเอาของเก่าสร้างมันเสร็จๆไปซะก <c oughs> ็เลยต้องเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์อยู่นี่แหละ เนี่ยภาษาง่ายเขไปทําแต่ว่าไม่ได้ทําเองเพราะฉะนั้นชาตินี้เดี๋ยวจะทำด้วยตัวเองด้วยแล้วให้คนอื่นมาทำด้วยรวยซื้อเองเลยดีกว่าเดี๋ยวชาติต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมาเกิดจะเล็งให้ดีจะไม่ผิดพลาดเล็งยอดลแหลมๆก็นิดรับรองไม่ผิดพลาดสายตาจะไม่เอียงเด็ดขาดเลยจะดูปุ๊บรวยเลย ส่วที่เกรงใจตัวลูกนั้นก็เพราะเขามีความรักต่อตัวลูกมากจ้าเขาเลิบลูกนะอะเพราะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาลูกและหุ่นส่วนจะทําธุรกิจได้ให้เจริญนั้นก็ต้องมีบุญรองรับดังนั้นจึงต้องมันนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากมากแล้วติสฐานจะได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานจ้าส่วนการทําธุรกิจรองรับจนานวนนั้นตัวลูกและหุ่นส่วนเขาจะไปคิดดอกโคดเกินไปแล้วก็จะไปกดราคาของของเขาจนเอาเปรียบเขามาก ทั้งเข้าเป็นทุกข์ใจโอ้รองรับจำนำนี่จินนาการขอคนยาก<อ>เขาก็ยากอยู่แลโอ้เอาครก<อ> <laughs> มาจำนำนี่อืมประตูจีนยิ้มพิมมือแต่ก่อนมันมีหนังเรื่องชายนักเกตรประตูจีนประตูจีนโรงนี้มันจะเขียนภาษาจีนใช่ไหมแต่เข้าไปแล้วต้องยิ้มเสร็จ แ, แล้วก็ต้องพิมพ์มืออืม ครูไม่ใหญ่เลยเรียประตูจีนยิ้มบิ uh uh uh ่มม uh ือฉันจะเกิดอัลซ์เทนสมายแฮนภาษาอังกฤษแบบพิจินพิจินตัวลูกมาเป็นลอกหัวใจเต้นผิดปกติน้าไม่หลับและไวรัสอักเสบบีเพราะกำแน่นดีี่ใช้แรงงานสัตว์รสชาติมากเกินภายีเราเรียนกันมาหลายเคสแล้วจากับคำที่ชอบแกล้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในกรงจะเลี้ยงนอกให้มันตก ใจเนี่ยไปเขย่ากลงเล่นเนี่ยตื่นสนุกด้วยความคนองในวัยเด็กต้องเอาแบบครูไม่ใหญ่สิเลี้ยงนกนอกกลงมันจะเข้ามาหาเลยขอกินทั้งวัน <c oughs> <c oughs> จะมาป้นเปี้ยนอยู่ ใ, ใกล้ๆ <c oughs> ก็ต้องคุยเขาบอกก็ง่ายยกยกไมคกันละอ๋อไม่อยากมาอยู่ใกล <c oughs> ้วน่นนี้มาล่องนุ่นล่องนี่ไอ้กิน <c oughs> เดี๋ยวมาเคาะประตูกันละมันเป็นกระจกใสๆเคาะเคาะ อปากเคาะ <c oughs> เคาะก็กงออกไปให้มันจู่ก็ไปเยี่ยมอยูแหละแปลกดีเหมือนกัน <c oughs> เลี้ยงที่สิยิความสุข <c oughs> นี่ถึงเวลาจะฉันเช้าฉันเที่ยมก็จะมาเ่ยมาเสนอหน้าเห็นนับหนึ่งสองสามสีห้า <c oughs> แล้วก็เอาลูกของมันมาตัวนี้ตัวใหญ่ละไ <c oughs> อ้ลูกเป็นชื่ออะไรนะปอมปอม ลูกชื่อปอมปอมเลี้ยงนอกกระตุกใจตึงรมทั้งกรรมดื่มสุราและเลี้ยงสุรามารมส่งผลด้วยเจ้า<ม>คนที่เป็นโรคตับเพราะกรรมสุรากับคนที่เป็นโรคบ้าใบาปัญญาอ่อนเพราะกรรมสุรานั้นต่างกันอ่ะกรรมไหนที่เกิดจากสุราอันไหนจะแรงกว่ากันระหว่างโรคตับกับบ้าใบาปัญญาอ่อนโรคจับโรคจับบ้าใบปัญญาอ่อนเจ้าจะเป็นกรรมที่หนักมากกว่า เป็นโรคตับที่เกิดจากกรรสุราโรคตับจากกรรสุราเบาบางแล้วแต่บ้าใบาปัญญาอ่อนอยังกำหนักอยู่จะแก้ไขก็ให้ลูกสังสมบุญทุบทั้ทานศีลภาวนาปล่อยสับปล่อยเปล่าทิตให้ ก, กับผู้ที่เราเคยไปบีบเบียนเข า, เาไว้จ้ะและ้วติทานจิตใด้พ้นจากวิบากกรรมนี้จะ้ะคุณแม่ยังตัวลูกขาหักเพราะกำรเรนอดีเคยเอาไม้ตีแมวที่มาเที่ยวหากินอะไรในครัวแล้วมันทำเลอะเทอะหกเลอะเทอะ ด้วยความกลัวก็เลยเอาไม้ปฏีขามนะะันหักไม่ส่งผลใช่น้อยเวลาประมาณสิบกว่าปีเพราะแน่ดีชอบลงโทษบริวารรับใช้ที่ทํางานปิดพลาดโดยการที่เขาทํางานทั้งคืนนี่ยลุ่งอยู่เป็นประจํานํามาส่งผลใช่ oh. เขาไม่ได้หลับที่นอนตัวก็เลยไปเจอบ้าง oh. จะแก้ไขให้ท่านสังสมบุญทุกบุญท้ญทงทานศีลภาวนาให้มากแล้วจิตบุเนี่กับสัตว์หรือคนที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้บ่อยๆแล้วติดฐานเจตพ้นจากวิบากการรมนี้ใช่ คุแม่ก็มีสายบุญกมูขนะอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยมากจ้ะจริงถ้าให้บางชาติเคเจอกันบางชาติก็ไปเจอกันจ้าลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางสร้างบารมีกมูขนะมาโดยพุทธนดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารบ ร, ราชาตที่ออกบวตในสังกัดเดียวกับพระอาจารของลูกชายสังกัดกองพลเดียวกันเรา อ, อบวตสัมพระราชาวบวตและวก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต มีผลการปฏิบัติธรรมไดเก่าถึงพระภายในเอาตัวแรกกลับดสิบุรีได้เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะตัวลูกสามีและลูกอีกสองคนคนโตคนเล็กเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์บ้างตามกําลังบ้างเต็มที่ในบางครั้งจ้ะลูกชายกันโตก็มีผังบบยอยู่บ้างยังไม่หนาแน่นแต่ให้หนาแน่นชาตนี้ต้องใช้กํลาลังใจสูงจ้ะถ้าใจมีผลการปฏิบัติธรรมดีก็จะต้องมีความเพียรอย่างต่อเ น, นื่องสม่ำเสมอแล้วก็ทําให้ถูกหลักวิชาด้วยจ้ะ ชาตินี้ประชากรกำลังแต่งใจสร้างประดิมีเต็มที่ในทุกบุญและที่ฐานจิตตามที่พิดีสิบุรีวงบนพิเศษเรตบ ร, รมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้าส ท, ที่จะเป็นเรื่องราวของเคสตัตตี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้